พวกคู่บาทั้งหลายช่วยๆกันปัดกวาดนะกุฏิหลังไหนล้านหลังไหนทางยังไม่ปัดกวาดก็ช่วยๆปัดกวาดให้หน่อยแบ่งสายกันช่วยแบ่งสายกันปัดกวาดทุกหลังอะ่ะแต่เป็นไปได้นะอยากจะให้หมูพวกเพื่อนช่วยๆกันแบ่งสายกันปัดกวาดใครจะไปสายไหน ถ้าว่าฝนตกแล้วใบไม้มันจมลงไปในดินจะปัดหวาดลำบากในช่วงนี้ใบไม้ยังไม่จมถึงจะมากก็ใช้ไม้กวาดแข็งๆไปปัดไว้สกรอบหนึ่งอีกไม่นานก็คงจะมีผู้มาพักเป็นบางหลังคงจะไม่ทั้งหมดหรอกเพราะนั้นให้แบ่งๆสายกันไว้ก็ดีใครจะไปรักษาหลังไหน คนลหลังสองหลังถ้าแบ่งกันก็คงไม่หนักแต่ไม่ให้ปัดทุกวันนะวันนี้อาจจะปัดหลังหนึ่งวันหน้าอาจจะปัดกวาดอีกหลังหนึ่งวันต่อไปปัดกวาดอีกหลังหนึ่งถ้าเป็คนละสามหลังนี้วก็ผมว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นคนหลังของเราก็มีอยู่แล้วหลังหนึ่งถ้าว่าเราไม่ไปปัดกวาดจนฝนตกซะก่อนแล้วยังค่อยไปมันจะหนักเพราะใบไม้มันจมลงในดิน แล้วก็เวลาไปปัดกวาดก็ช่วยๆดูด้วยว่ามีปลวกมีมดขึ้นไหมกุฏิแต่ละหลังไม่ใช่ว่าไปปัดกวาดแล้วก็เพียงแต่ปัดกวาดเท่านั้นต้องดูแลกุฏิด้วยนะว่าดูแลเสนาสะนะดูแลเสนาชนะสง์เป็นหน้าที่ของพระในวัดทุกองค์หลังไหนที่มีปลวกมีมดขึ้นเราก็ต้องหาน้ํามันมันมีที่ กันน้ำอยู่แล้วมีที่ใส่น้ํามันอยู่แล้วแต่ละกุฏินะเอาน้ํามันไปใส่ซะหลังคามันเป็นยังไงมีกิ่งไม้เฟื้อยเข้ามาไหมปกคลุมไหมถ้าปกคลุมขึ้นมาพวกหนูพวกกรอกกระแตที่จะไปหรือว่าพวกมดที่จะเข้ามาในกุฏิได้เราก็มองดูรอบรอบแต่ละหลัง จากนั้นเอาเด็กของเราไปเอากิ่งไม้อะไรออกซะนี่แหละการดูแลเสนาชนะจะให้ผมไปดูแลทุกหลังเป็นไปไม่ได้นะหมูพวกเพื่อนนะพวกเราทุกองคที่มาอยู่วัดเนี่ยคือเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลเสนาชนะพอผมสร้างขึ้นมาผมทําขึ้นมาก็อำนวยความสะดวกให้แก่หมูพวกเพื่อนได้มาอาศัยได้ห ม, พพหมูพวกเพื่อนมาอาศั ย, ม า, าศยมานอนมาหลับ มาภาวนาและก็ต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบร่วมกันจะให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องเพราะวัดเนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เี่ว่าเสนาสนาวัดวัดดูแลเสนาสนะตั้งแต่ศาลากุฏิ แนวว่าเสนาสนวัดตั้งแต่พื้นวัดตั้งแต่ลานวัดเวทจวัดข้อวัดเกี่ยวกับห้องน้ำแหมไม่ใช่ว่ามอบให้องค์ใดองค์หนึ่งห้องน้ําเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกองค์ที่อยู่ในวัดเราเวชจกุฏิวัดเวทเวทจวัดก็คือห้องน้ําในส้วมควรปฏิบัติอย่างไรควรจะทําความสะอาดอย่างไรในห้องน้ํา คันทกุติวัดขอวัดเกี่ยวกับโรงไฟโรงน้ําร้อนไม่ใช่วันให้หน้าที่องค์ใดองค์หนึ่งเหมือนกันต้องรับผิดชอบร่วมกันเมื่อเราใช้ของแล้วเราควรจะเก็บอย่างไรทําความสะอาดอย่างไรเมื่อเรานั่งแล้วเมื่อเราใช้แล้วอันนี้คันทกุติวัดคอวัดเกี่ยวกับโรงน้าร้อนหรือโรงไฟอาคารตุกขวัด วัดเกี่ยวกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องกับวัดอย่างพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรนษาเข้ามาเกี่ยวข้องพวกพระพระในวัดควรรมอย่างไรอาคารตุกะวัดพวกเราต้องต้อนรับขับสู้เข้าไปรับบาทรับจีวรรับย่ามของท่านแล้วกัปูอานะเอาน้ำใช้น้ำฉันถวายท่าน ถามไทยท่านไปมายังไงถ้าหากว่าเป็นพระผู้น้อยกว่าเราอายุพันสามน้อยกว่าเราก็ไปบอกว่าเออน้ําอยู่ตรงนั้นนะน้ํำดื่มอยู่ตรงนี้นะเออนั่งตรงนั้นนะตากผ้าตรงนี้นะเราก็ต้องอำนวยความสะดวกและก็บอกกุฏิไปพักหลังนู้นหลังนี้นะ เ, ออเราก็ช่วยแนะนําอันนี้เป็นว่าอาคารทุกกะวัดตลอดถึงญาติโยมที่มาเกี่ยวข้อง เราก็ต้องดูญาติโยมมาจากไหนอย่างไรมาเพื่อฟังธรรมหรือว่ามาเพื่อถวายามากราบพระสงฆ์มาถวายจตุปัจจัยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องต้อนรับเขาดูแลเขาอำนวยความสะดวกให้แก่เขาอันนี้ว่าอาคารทุ ก, กวัดอาจารยวัตดวัดเกี่ยวกับอาจารย์ลูกศิษย์ปฏิบัติยังไงกับอาจารย์ล้างบาตรดูแล การเป็นอยู่ของท่านเป็นหน้าที่ของสิทธุภองค์นะวาอาจาริยวัดแล้วก็อันเทวศิกวัดเรียกว่า อ, อุปชายวัดข้อวัดเกี่ยวกับพระอุปชาควรทํำยังไงก็เหมือนกับอาจารย์นั่นแหละนะเออจัทิ้งวิหาริยวัดข้อวัดเกี่ยวกับลูกศิษยนะ์เออไม่ใช่แต่ลูกศิษย์เกี่ยวกับอาจารย์นะอาจารย์ก็เกี่ยวกับลูกศิษย์เหมือนกันควรปฏิบัติยังไงกับลูกศิษย์อนะ่า ลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยควรทํำยังไงดูแลยังไงโมลิขานลูกศิษย์ลูกหาขาดเหลือขาดตกดูแลยังไงการเป็นอยู่ของลูกศิษย์อาจารย์ควรดูแลยังไงและแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความฉลาดยังไงถ้าลูกศิษย์มีความเข้าใจผิดทํานองครองธทำแล้วแนะนําอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์ต้องดูแลสัตว์ทิ้งวิหาริกกวัตอันเตวสิกวัต อุปชาปฏิบัติต่อลูกศิษย์ก็เหมือนกับอาจารย์ปฏิบัติต่อสัตถิงวิหาริกรวัตน์นั่นน่ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่แต่ละกลุ่มแต่ละคณะพระพุทธเจ้าท่านวางกรอบเอาไว้ทั้งหมดสําหรับพระสงฆ์สําหรับพวกเราที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉนั้นการที่ผมแนะนําว่าให้ดูแลช่วยกันนะเรื่องวัดวาศาสนานะ อย่าไปให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะให้รับผิด ช, ชอบร่วมกันนะผมพูดตามหลักพระธรรมวินัยผมไม่ได้เอาความคิดความเห็นของผมเข้าไปพูดเพราะนั้นพวกหมู่ทั้งหลายอยากจะรู้ว่าที่ผมพูดไปนี้มันอยู่ในหลักสูตรไหนมันอยู่ในวินัยเล่มไหนก็ให้ไปดูในวินัยมุกเล่มสองนะวินัยมุกเล่มสองและจากนั้นก็ให้ไปดูในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเกี่ยวกับอันเทวศิกวัตรสัทธิงวิหาริกวัตรอุปชยาาัยวัตรอาจารยวัตรเสนาสนาวัตรการดูแลเสนาสนะตลอดถึงโต๊ะเตียงเก้าอี้เอามาใช้แล้วต้องเก็บเป็นที่เป็นทางาตลอดถึงของสงของบุคคลเป็นยังไงพวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติในครั้ง พุทธการในครั้งพระพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไรมีตนพระบัญญัติพระวินัยองค์ไหนกระทาผิดในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็พระพุทธองค์ประชุมสงฆ์เมื่อประชุมสงฆ์เสร็จเรียบร้อยกับบัญญัติวินัยขึ้นมาเราจะรู้ต้นปลายสายเหตุผมต้นพระวินัยตัวนี้มาจากจุดนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติซิกขาบทนี้ขึ้นมาเพราะเหตุนี้เหตุนี้พวกเราจะรู้ได้เพราะนั้นให้ศึกษาเกี่ยวกับวินัยนะอันนี้เป็ว่า ต้องรับผิดชอบร่วมกันเรื่องเสนาสนะอย่างที่ผมว่าเมื่อปลวกขึ้นมดขึ้นจะปล่อยปลาละเลยจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้พวกเราเห็นแล้วก็ต้องช่วยกันน้ํามันมันขาดเอาน้ำมันไปใส่การปลวกการมดเอาไว้ เ, เพื่อหมู่องค์ต่อไปมาอยู่เขาก็จะได้ดูแลรักษาเหมือ น, นเราเข้ามาอาศัยอย่างนั้นอนะ่ะพอญาติโฉมเขาสร้างให้แล้ว เ, เขาสละทุนทรัพย์ออกมาให้แล้ว เราก็ควรจะดูแลเรียกว่าปัจใจสี่อันนี้เรียกว่าปัจใจสี่ของพระพระสงฆ์ถ้าขาดปัจใจสี่ก็อยู่ลําบากเหมือนกันอันดับแรกก็คือพระพุทธองค์ที่พวกเราบวชเข้ามานะพระพุทธองค์ที่พวกเราบวชเข้ามานะที่แรกนะปัจใจสี่คืออะไรพระอุปัชฌาทั้งหมดว่าบางสกูลและจีวรังนิสัยยาปปัชฌาตทธเตยวะชีวังอุชาโกรณิโย เมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าต้องสแสวงหาผ้าบางสกุลมาเพื่อคลุมร่างกายของเจ้านะ เ, เก็บผ้าประติดประตอร่อตามถนนหนทางอันไหนก็ได้ผ้า เ, เย็บเป็นผ้าบางสกุลไม่ผิดต่อวินัยไม่ผิดต่อศีลไม่ผิดต่อกฎระเบียบอันนี้คือความชอบธรรมของเจ้าอันนี้ก็คือบางสกุละจีวรหลังลกขโมยเสนาสนัง เ, เมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้ว เจ้าไปอยู่ในโคนต้นไม้ก็ได้นะแง่ไม่ผิดต่อกฎไม่ผิดต่อระเบียบไม่ผิดต่อหลักธรรมวินัยแง่ไปอยู่โคนต้นไม้เงื่อมผาที่แจ้งรอมฟังแง่ที่ว่างป่าชา้าป่าลกชัดที่ไหนก็ได้อั น, นี้ก็ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยเจ้าให้ส่ะแสวงหายอย่างนั้นบินติยาโลปโภชนังเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าบิณฑบัตฉันนะ เจ้าจะไปอยู่เฉยๆเมื่อเจ้ายัางฉันอยู่เจ้าต้องอาศัยลำแข้งของเจ้าบินท่าบาทมาฉัน น, นี่แหละจากนั้นก็เภสัชเจ้าเข้ามาแล้วก็เพสั์ของเจ้าคือยาดองด้วยน้ำมูลเน่าอันนี้ก็คือเป็นยารักษาโรคของเจ้านะอย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คือลูกขโมยเซนาสนังเสนาสนะ ถ้าว่าเจ้าไม่มีที่อยู่อาศัยเจ้าจะอยู่อาศัยโคนต้นไม้ก็ได้แต่ถ้าว่ามีใครสร้างกุฏิเสนาชนะให้เจ้าเจ้าก็อยู่เสนาชนะที่พักพ่าอาศัยพวกเราก็มีผู้ถวายเสนาชนะอำหนวยความสะดวกให้แกเราเพราะนั้นเสนาชนะเป็นเสนาชนะสงเมื่อเราได้อยู่แล้วก็ได้ภาวนาได้ปฏิบัติได้สวดแสวงหาทางพ้นทุกข์ภาวนา ไม่ได้อยู่เพื่ออย่างอื่นนะอยู่เพื่อภาวนานะพอเป็นเครื่องบังแดดบังฝนไม่ให้มันถูกเราให้ได้รับความลำบากนะถ้าเราอยู่ในโคนต้นไม้ลำบากกว่านะแต่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังให้อยู่โคนต้นไม้นะอันนี้เราอยู่ในเสนาสนะอย่างนี้แล้วสะดวกสบายมากเนื้อกว่าพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุที่พวกเราบวชที่แรกนะพวกเราบวชที่แรกแ ว, ว่า ลูกขมในเสนาสนังนิสไซยาปปชาตัทธเตยวชีวังอุจ่าโหกรณิโยนะอุปชาท่านสอนอย่างนั้นแต่เมื่อพวกเราได้บวดเข้ามาแล้วก็มีเสนาสนะสงเสนาสนะที่พึ่งพาอาศัยอย่างพวกเราท่านทางหลายได้เห็นเพราะนั้นเมื่อเราได้อยู่เสนาสนะแล้วก็ดูแลช่วยกันดูแลถ้าไม่ช่วยกันดูแลกัเสนาสนะจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นเราอยู่เพื่อภาวนา แล้วก็ทางจงกรมทุกหลังก็มีพร้อมในทุกหลังอยู่แล้วก็ให้เดินจงกรมนะถ้าพระขี้เกียจเดินจงกรมไม่ใช่พระกรรมฐานนะให้พวกเราคิดวังอย่างนั้นไปเลยพูดอย่างนั้นไปเลยถ้าพวกเราขี้เกียจเดินจงกรมไม่เดินจงกรมไม่ใช่พระกรรมฐานนะเราเป็นพระประเภทไหนท้าเราขี้เกียจเดินจงกรมพรนันองค์หลวงตามหาบุญ ท่านเคยพูดเสมอท่านท่านไปที่ไหนท่านไม่เห็นทางจงกลมนะท่านไม่นับเนื่องว่าเป็นพระกรรมาฐานเลยถ้าท่านไปดูกุฏิหลังไหนก็ตามพาพไปเห็นกุฏิหลังนั้นไม่เดินจงกลมท่านก็บอกว่าพระองค์นี้ขี้เกียจใช้ไม่ได้เลยมีแต่คอยวันตายเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปดูองค์นั้น่ต้องไปดูทางจงกลมของพระองค์นั้นถ้าเห็นพระองค์นั้นเดินยังกลมเป็นมันแสดงว่าองค์นี้สู้เ อ, อจิตใจยังสู้อยู่ยังไม่ถอยนะองค์นี้ ต่อไปอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องก้าวหน้าไปได้ได้ง่ายถ้าไปเห็นทางยังกลมเศร้าๆอมองๆลนะองคนี้คอยวันตายนะเพราะนั้นพวกเราให้ดูพวกเราบ้างหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดนี่นะให้พวกเราสังเกตดูนะเพราะนั้นพวกเราทุกองนะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจพูดทางนี้ทางนั้นคือเป็นการกระตุ้นเป็นการเตือนอย่าว่าครูบาอาจารย์ไม่มองไม่ดูไม่แลนะนี่นะครูบาอาจารย์มอง เราพวกเราที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้คติแก่พวกเราท่านพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าให้พวกเราสังเกตดูกันแล้วกันนะอันนี้ผมถ่ายทอดมาจากคําของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนผมมาผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะนั้นผมจึงถ่ายทอดให้แก่หมู่พวกเพื่อนเพราะนั้นให้ตั้งใจภาวนานะถ้าว่าผู้ใดก็ตามพยายามนั่งภาวนาพยายามเดินยงกลม ผูนั้นต้องมีทางออกมีทางออกสักวันถึงแน่นอนไม่ต้องสงสัยรู้จักทางออกทางหนีทีไล่ทางไปทางมาเอจะไม่ปิดตันอั้นตู้จะต้องหาช่องออกช่องทางได้หาทางพ้นทุกได้เพรา ง, งั้นเถอะถ้ามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราขาดความมุ่งมัน่นขาดความตั้งใจแล้วมิถอยวันตายออคอยวันตา ย, ย, ว, ตายวันตายก็คืออะไรออตายจาก คุณธรรมศีลธรรมอยู่ชังกระตายอันนั้นตายประเภทหนึ่งอันนึงตายออกจากเพศสำมะนะอออกไปแล้วก็เป็นครวัตต่อไปคิดว่ามันจะดีผลที่สุดพอแก่เท่าชนมาหาจุดจบไม่ได้ ว, ว่าเหวนะโดดเข้ามาหาวัดอีเข้ามาเมื่อแก่เอเข้ามาเมื่อแก่ยังขี้คุยอีกต่างหากได้ไอพวกประเภทอย่างนั้นอแต่ตัวเองสมัยอยู่แต่ก่อนอยู่ไม่รอดแบบงั้นเถอะพอกลับเข้ามาเดี๋กลับขี้คุยใส่หมู่อีก เหมือนกับตัวเองไปทําอะไรมาก็ไม่รู้ไปเกลือขี้เกลือเกี่ยวมาพอลังแล้วจะมากับมาขี้คุยให้หมู่ฟังอีกอย่างนั้นก็มีตั้งเยอะแยะนะพราะฉะนั้นพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเมื่อบวชแต่ยังน้อยยังหนุ่มพยายามทําจิตทําใจให้เข้มแข็งให้สู้ให้ตลอดรอดฟังให้ถึงแดนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินพวกเราเรื่องสติเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งสตินี่แหละ ถ้าเราเฝ้าอยู่เฝ้าใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันไหนจะเข้ามาได้ถ้าเราขาดสติเมื่อไรก็เมื่อนั้นหละไม่รู้ว่าสิ่งไหนตัวสิ่งไหนเข้ามาทางตาก็เตะตาก็มาทางหูก็เตะหูเข้ามาทางจมูกก็เตะจมูกเข้ามาทางลิ้นก็เตะลิ้นทามาทางกายก็เตะกายมันหลายทางเตะใช่ไหมเตะหูเตะตาเตะจมูกเตะลิ้นเตะกายเตะเข้ามาก็ถึงใจน ใจตัวเองลุ้มลุกคู่ขานนุมลุกคุ่ขานนมลุกคู่ขานอย่างนั้นแต่ละวันนะเพราะนั้นถ้าเรามีสติเข้มแข็งมันมาทางตาตาเห็นรูปรูปสักวันลูกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปนั้นเป็นอะไรรูปนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมหูได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงสนโสดเสียงเที่ยงและไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งได้เป็นทุกข์ใช่ไหม สิ่งเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมถ้ามีสติอยู่กับตัวเองเราจะรู้ได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายใจของเราจะรับรู้ทั้งหมดแล้วก็ไม่รับรู้ทั้งหมดปล่อยออกไปมันมาเข้ามากับปล่อยออกไปส่งกลับคืนส่งกลับคืนไม่รับรู้รับทราบตาเห็นรูป ก, ก็สักว่ารูปเสียงก็สักว่าเสียงกินก็นสักว่ากลินรสก็สักว่ารสสัมผัสกสักแต่ว่าสัมผัสไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา สิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเมื่อร่างกายแตกไปแล้วจบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันดีกว่านั้นไหมมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นไปกว่านั้นอันนี้เมื่อเราพิจารณาถึงจุดนั้นแล้วนั่นแหละเราจะอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนความตั้งใจของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งอยู่เสมอคอยนั้นปล่อยหมู่พวกเพื่อนทุกองค์นะให้มีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติ ที่พูดทางนี้ทางนั้นสรุปแล้วก็คือให้รู้รอบขอบชิดรู้จากเขารู้จากเรารู้จากการเป็นอยู่ของตนเองเนี่ยที่สอนกิจวัตรขวัวัดขึ้นมาเนี่ยก็คือให้รู้จากหน้าที่หน้าที่ของพระมันเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นครวัตญายมเขาก็ทำมาค้าขายของเขาอีกแบบหนึ่งเมื่อเราอยู่ในหน้าที่ของพระเราก็ต้องทำหน้าที่พระให้สมบูรณ์ที่สุดการเป็นอยู่ของเราทำยังไง บินธรมบาดรยังไงมาฉันยังไงใช้ผ้ายังไงเสนาสนะยังไงแขกคนที่มาเกี่ยวข้องอย่างไรล้วนแล้วแต่เป็นปทมีระเบียบมีวิถัยทั้งนั้นอย่างที่ผมพูดอย่างอาจารย์ยาวัดอุปชยัย า, าวัดเสนาสนะวัดคันตุกติวัดเวจวัดอย่างนี้อาคารธุกกวัดอย่างนี้มันมีในพระวินัยทั้งหมดสําหรับให้พวกเราดําเนินจากนั้นก็ ถึงจะพวกเราจะทําดียังไงแค่ไหนก็อย่างที่ว่านะั่นแหะนะความแก่ความเจ็บความตายก็จะเข้ามาถึงพวกเราอยู่อย่างที่ว่านะั่นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ส่งเข้ามาหาใจอย่าลืมอย่าหลงในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผลที่สุดก็นั่นนะให้ดูใจถ้าใจไม่หลงถ้าใจไม่มัวเมาถ้าใจรู้แจ้งหลืเห็นจริงใจรู้จักปล่อยรู้จักวาง ใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นกันนั่นแหละ เ, ออเข้าข่ายเดินเข้าข่ายมักผลนิพพานนะวันนี้ให้แนวความคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนออให้ข้อคิดออสําหรับการเป็นอยู่สมณะนักพระนักบวชสักยบุตรลูกของพระพุทธเจ้าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้การเป็นอยู่น ะ, ะต่อ น, นี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร